แป๊บเดียวฉลองปีใหม่กันไม่นานนะก็จะสิ้นปีจะได้เวลาฉลองอีกแล้วก็ฉลองกันอยู่ได้ไม่กี่ครั้งนะชีวิตคนเราสั้นนิดเดียวในชีวิตที่สั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่สั้นๆของเรานียให้มันมีค่ามากที่สุดนะเราลองทบทวนดูว่าชีวิตที่ผ่านมานี่เราใช้ไปคุ้มค่าหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าคุ้มค่าแล้วนะ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 ที่ไม่ปรุงเพราะมันไม่หิวที่มันหิวขึ้นมานะมันผลักดันให้ปรุงสังเกตยนห้หใจเรามีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความดิ้นรนเกิดขึ้นที่นั้นกระทั่งอยากฟังธรรมใช่ไหมใจยังดิ้นรนเลยหลวงพ่อนะเป็นพระที่ไปเทศนิคนจะฟังเยอะแข่งกับพวกที่เขาเล่นคอนเสิร์ตพอได้อยู่นะเอาแบบวงเล็ ก, ลกๆกิ๊กก็อกๆนะวงใหญ่ๆคนเ้าเป็นหมื่นเราสู้เขาไม่ได้หรอก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 นิพพานมีอยู่จริงนะนิพพานไม่ใช่เมืองเมืองหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ฝันฝันไม่ใช่โลกในอุดมคติตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะเรียนรัฐศาสตร์เราก็คิดว่านิพพานเนี่ยเป็นโลกในอุดมคติเป็นสภาวะยูโทเปียไม่มีจริงเราภาวนาเราถึงรู้ว่านิพพานมีจริงจริง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 สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญตัติเพราะจิตเราไม่มีคุณภาพพอเรียกว่าเราไม่มีธรรมจักสุปดวงตาที่เรียกว่าธรรมจักสุปนะดวงตาที่เห็นธรรมะเห็นนิพพานได้ผู้ที่มีดวงตาเห็นนิพพานได้เรียกว่าพระโสดาบันนะนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นหลวงพ่อประโมทตอนนี้นะดูไปดูไปมองหลวงพ่อประโมทเดี๋ใจแวบไปเมื่อวานไปเที่ยวสนับหลวงมานะเห็นพระเมินนะ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 วิธีที่จะทำให้เราเข้าไปพบพระนิพพานได้นะไม่ใช่เรื่องลึกหลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่ยากเท่าที่คิดจะว่าง่ายนะมันก็ไม่ง่ายมากนะจะว่ายากมันก็ไม่เชิงมันไม่ง่ายเพราะว่าใจเราเนี่ยคุ้นเคยกับความปรุงแต่งคุ้นเคยกับความอยากความหิวโหวยเราจะมาค่อยรู้ค่อยดูนะมันบางทีสู้ความอยากไม่ได้กระทั่งอยากปฏิบัติธรรมนะบางคนอยากปฏิบัติธรรม เดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำหรือนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำเนี่ยนั่งไปเดินไปก็หวังเมื่อไรจะบรรลุสติเมื่อไรจะบรรลุสติแล้นทาด้วยความอยากไม่บรรลุหรอกนะไม่มีทางบรรลุเลยต้องรู้หลักของการเจริญสติแท้จริงก็จะเห็นนิพพานได้จิตจะค่อยๆพ้นจากความอยากจิตพ้นจากความอยากจิตพ้นจากความปรุงแต่งมีวิธีการ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 วิธีการของคนอื่นก็เป็นวิธีการแบบของเขาแต่วิธีการของชาวพุทธนะก็ต้องเป็นวิธีการเฉพาะของชาวพุทธวิธีการของชาวพุทธพุธทธะแปลว่ารู้นะพุธทธะแปลว่ารู้เราเป็นศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาแห่งการรู้พระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธโธนะพุทธโธคือท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน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 เอาเวอร์ชันสองนะเวอร์ชันนึตอนเขียนความรู้ยังไม่เต่มแจ้งนะอ่านตอนเวอร์ชันสองให้มีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจที่กำลังมีอยู่จริงๆรแล้วรู้มันตามที่มันเป็นจริงๆรนะรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะถ้าฝึกอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่นานไม่นานนะจะรู้แจ้งในความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือมันเป็นไตรลักษ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 นวิธีการนะบอกแล้วให้มีสติรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏนะตามความเป็นจริงได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติไปรู้อย่างอื่นสติพูดมาทุกวันที่เจอหน้ากันว่าสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดนะสติเป็นความระลึกได้หลวงพ่อจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องสติมากนักนะสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากทีรัสัญญา คือจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นถ้าเราหัดดูบ่อยๆหัดรู้สึกบ่อยๆใจโกรธไปก็คอยรู้สึกใจโลภก็คอยรู้สึกใจฟุ้งซ่านใจหดหู่คอยรู้สึกไปเรื่นะรู้สึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดตรงที่สติเกิดเนี่ยเวลาใจลอยไปนะสติก็ะระลึกได้เองว่าใจลอยไปละเวลาโกรธขึ้นมาสติก็ะระลึกได้ว่าโกรธไปละนะมันเป็นเอง หรือสติมันระลึกรู้กําลังอาบน้ำถูสบู่อยู่น ะ, ะระลึกปั๊บลงไปนะะระลึกถึงตัวรูปได้เห็นเป็นท่อนๆเห็นนะเป็นท่านๆเป็นแท่งๆเป็นแข็งๆอ่อนๆเป็นเย็นเป็นร้อนนะไม่มีตัวมี ต, มตนอะไรสติต้องเกิดเองจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นสติที่ใช้เจริญวิปัสสนาต้องเป็นสติที่ใช้รู้กายรู้ใจตัวเอง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 เท้ากระทบพื้นนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยนะรู้เรื่องพื้น <Gar> ไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วมีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราที่กำลังนั่งทับเนี่ยเรากำลังโดนนั่งทับมีใครรู้สึกไหม mm. มีแต่เราไปนั่งทับมันใช่ม mm. นี่เรารู้สึกกายในใจนี่คือตัวเราดูลงมาในกายในใจนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนดูลงไปที่นั่นความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ที่ไหนรู้ลงไป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 ความจริงอยู่กับปัจจุบันต่อหน้าต่อตานี่ยะฉั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะรู้สึกกายรู้สึกใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้ต้องรู้ตามความเป็นจริงของเขาไม่ใช่รู้แล้วเข้าไปแทรกแซงนะพวกเราเวลารู้ไกาก็แทรกแซงรู้ใจก็แทรกแซงเช่นเวลาจะเดินจงกรมใช่ไหมเราเคยเดินสบายๆนะเ ด, นนเดินทั้งวันอ่ะเดินทุกวันอยู่แล้วเดินมาตั้งแต่เดินได้ใช่ว่าเดินแต่เกิดไม่ได้ใช่ไหม เคนเกิดมามันยังไม่เดินไม่ใช่ลูกวัวลู ก, กวายลูกวัวไกวนะชั่วโมงสองชั่วโมงมันเดินได้แล้วลูกคนน่นอนนะเอาตั้งแต่เดินได้เนะี่ยเราก็เดินอยู่ทุกวันทุกวันแต่เราเดินไม่เป็นเดินแล้วไม่มีสติเนะียถ้าเรามีสตินะรู้ลงปัจจุบันไปยืนเดินนั่งนอนนะรู้ลงปัจจุบันนะเห็นกายเห็นใจที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆนะของจริงมันอยู่ตรงนี้ก็ดูจากของจริง ไม่ได้โดยจากความคิดความฝันในอนาคตหรือความจําในอดีตเอาของจริงมาดูดูสิเป็นตัวเราจริงไหมนี่ถ้าไปคิดถึงตัวตนในอดีตนั่งนึกถึงหน้าตาของเราตอนสขวบเห็นไหมคนนั้นไม่มีแล้วนี่ไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสนานะวิปัสนาต้องเห็นตัวนี้ทนทุกอยู่นี่เลยเนี่ยเห็นตัวนี้แหละมันไม่ใช่ตัวเรานะถึงจะเป็นวิปัสนาเพราะนั้นต้องดูลงปัจจุบันนะดูตามความเป็นจริงด้วนยะมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันถูกบีบพั้นตลอดเวลาถ้ามันบังคับไม่ได้หรือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุดูลงเป็นไตรลักษณ์เรื่องนี้ก็พูดทุกครั้งที่เจอกันไปดูเอาเองไปฟังเอาเองถ้าเรารู้กายรู้ใจนะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ไม่เข้าไปแทรกแสงไม่ใช่จะเดินจงกรมก็บังคับจิตให้นิ่งจะนั่งสมาธิก็บังคับจิตให้นิ่งหรือเดินจงกรมก็ต้องวางมาดใช่ไหมต้องเดินท่านี้ท่านี้ จะนั่งก็ต้องวางมากต้องนั่งให้สง่างามถึงยันเป็นนักปฏิบัตินั่งท่านี้ปฏิบัติไม่ได้นะไม่ใช่เลยนะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ได้สําคัญอยู่ที่อิริยาบทอะไรกิริยาท่าทางอะไรมันสําคัญอยู่ที่คุณภาพของจิตในการที่ไปรู้กายรู้ใจต่างหาถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะตีลังกาอยู่ก็ได้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุทธเมื่อก่อนท่านเคยมาสอนที่นี่ หลวลงพ่อพุธนี่ไหนท่านสั่งไว้นะว่าอย่าทิ้งสาราลุงชินนะเราเลยต้องอดทนมาที่นี่นะ <c oughs> ว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ให้ไม่ทิ้งนานแค่ไหน <c oughs> นี่ดูไปนะดูลองความจริงความจริงคือไตรลักษณ์นะดูกายดูใจดูเป็นไตรลักษณ์ไม่ไปแทรกแสง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 อย่างคนที่หัดอาณาปานาสติรู้ลมหายใจสังเกตให้ดีเถอะเกือบร้อยละร้อยนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมที่แท้จริงเนะ่ยเกือบร้อยละร้อเลยจะไปเพ่งลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคนที่ดูท้องฟอ ง, ฟองยุบนะเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบเกรงใจที่สุดแล้วนะเกือบรนะ้อยละร้อยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้านะไปรู้อิริยาบถสี่นะไปเพ่งมันทั้งตัวเลย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 โทรศัพท์มาหากรรมการวัดคนนึ่งคือชมพูนะเพรามีเบอร์ของชมพูอยู่เบอร์วัดเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าแกเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งนะแต่สำนักเนี่ยไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนไง่ายๆก็เลยต้องใช้แอบโทรมาแกเล่า ว, ว่าแต่เดิมแกก็สอนกรรมฐานนะแกก็ภาวนาแกก็ด้วยแกเครียดมากเลยหลังแกแข็งเป็นก้อนหินอย่างนั้นเลยทรมานมาก ต่อมาคนทึ่ไปเข้าคอร์สเก่อเอาหนังสือหลวงพ่อไปแกก็ไปขอดูนะแล้วก็สนใจเขียนจดหมายมาขอหนังสือไปเอาไปอ่านค ง, ต, งต้องแอบอ่านอนะนะีดีฟังไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นได้ยินเป็นอาจารย์นะนะอ่านอ่านไปรู้สึกโอ้เราทำผิดเราไปเพ่งอารมณ์เราไม่ได้รู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นะแกบอกพอแกรู้ตรงนี้แกเห็นว่าจิตไปเพ่งจิตก็คลายออก นี่แกบอกว่าตอนนี้นะแกมีความสุขขึ้นเยอะเลการภาวนาของแกง่ายหลังแกก็ไม่แข็งเป็นก้อนแล้วนะหน้าตาแกนี่คนมาบอกเลยแกหน้าใสหน้าตาแกผ่องใสผิดแต่แต่เดิมแต่เดิมเครียดที่สําคัญนะนี่เขียนเล่ามาอย่างละเอียดอีกบอกแต่เดิมเนี่ยปีอันปีหนึ่งนะประจําเดือนมาสองครั้งเองเพราะเครียดตั้งแต่มาภาวนาแนวหลวงพ่อปรามโมทแล้วประจําเดือนมาตามกําหนด <laughs> โอ้ไงเราก็เพิ่งรู้นะ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 เวลาที่เราไปเห็นสภาวะแล้วบางทีจิตก็ยินดีขึ้นมาบางทีจิตก็ยินร้ายขึ้นมาเช่นเราเห็นจิตใจของเรามีความสุขเราก็พอใจหลายคนภาวนานะดูจิตดูใจดูไปเรื่อยๆความปรุงแต่งหยาบๆยาบดับไปเกิดความปรุงแต่งละเอียดที่เรียกว่าความว่างขึ้นมาความว่างๆที่เราภาวนาแล้วไปเห็นข้าวนี้เป็นแค่ความปรุงแต่งละเอียดไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ได้ว่างอนาถาแบบนั้น นิพพานไม่ได้ว่างแบบมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีวงแคบๆอยู่ะว่างอยู่นิดๆหน่อยๆอยงั้นอันนั้นเรียกว่าช่องว่างนั้นบางคนภาวนานจนใจก็ว่างขึ้นมาพอใจว่างแล้วราคะเกิดพอใจในความว่างพอใจในความนิ่งไม่ยอมเจริญปัญญาต่อมีเยอะนะตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นภาวนาแล้วก็ใจสบายมีความสุขพอมีความสุขแล้วพอใจแค่นี้แล้ว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 หรือเรานั่งสมาธิอยู่มันปวดมันเมื่อยทายังไงจะชนะความปวดความเมื่อยนี่คิดภาวนาเอาชนะนะคิดภาวนาเอาชนะหรือคิดภาวนาแล้วทอ้อแท้ตามกิเลสไปนี่ก็คือความไม่เป็นกลางทั้งสิน้นนะถ้าหากเรารู้ทันความไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะเช่นเราไปเห็นคนนี้ใจเราชอบขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจชอบในี่ใจไม่เป็นกลางแล้วชอบขึ้นมาต่อมาเรามีสติรู้ทันว่าใจไปชอบเขาเราเกิดไม่ชอบความชอบนี้ขึ้นใหม่อีกล้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 คนสมัยพุทธกาลเจวัน7เดือน7ปีเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคาคาของเรารุ่นนี้อินทรีย์ของพวกเราอ่อนหน่อยเพราะว่าสิ่งยัว่วยุ ม, มันเยอะเหลือเกินใช่กิเลสมันรุนแรงกระแสมันเชี่ยวกรากแค่ลืมตาตื่นขึ้นมานะนึกถึงการเมืองก็วุ่นวายจะแย่แล้วใช่ไมไม่รู้จะออกเหนือออกใต้อย่างไงออกหัวออกก้อยไม่รู้เลย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 รู้สึกไหมใจเราฟุ้งซ่านเยอะฟุ้งซ่านง่ายฟุ้งซ่านทั้งวันนะใจเราฟุงา้งซ่านเราทําสมถะก่อนสมถะที่ง่า ย, ายๆก็อาจจะพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่เราไม่ได้พุทโธเพื่อให้ใจนิง่งเพราะอย่างหนูพุทโธใจก็ไม่ยอมนิ่งง่ายๆหรอกใจมันช่างคิดนะเราพุทโธพุทโธแล้วเราสังเกตใจไปเรื่อยพุทโธแล้วใจสงบก็รู้พุทโธแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้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 ปิดเธอมแวหนูขอไปปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อได้ไหมคะได้ถ้าจับฉลากได้นะวันที่ยี่สิบเก้าจับฉลากนะมีบางคนเริ่มมาขอพร น, นะขอให้จับได้เนี่ยชาวพุทธชอบขอชาวพุทธอย่าเชื่อเรื่อง ก, การพึ่งสิ่งอื่นคนอื่นนะต้องพึ่งตนเองขนกวยเข้านะตั้งใจจริงจับปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็าคงได้นะ อย่าตายซะ ก, ก่อนก็นแล้วกันครับต่อไปกรรมน้ำปการหลวงพ่อ ค, ครับผมเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะก็ปกติเคยปฏิบัติครับวัดป่านะครับทีนีอ้อยากจะสอบถามท่านอาจารย์ว่าขณะที่นั่งสมาธิแล้วจิตมันเป็นหฮวังแล้วมันก็อยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ ย, ยะะครับการปฏิต่อไปเนี่ยสมควรจะทํำยังไงครับ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 ม, มันมีความสุขอยู่เป็นวันๆงั้นมันไม่มีความไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันไม่มีความทุกข์ให้ดูมันรู้สึกว่าบังคับได้ไม่มีอนัตตาให้ดูจิตของมนุษย์นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาสแสดงตร ล, ลักตลอดเวลาเมื่อเราใช้จิตมนุษย์ธรรมดาเนี่แหละทามิปัสนานะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็ทําความสงบพักผ่อนให้จิตมีกําลังมีกําลังแล้วออกมารู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นจริงๆของคุณติดเที่ยงไว้นิดหนึ่งนะแต่ใกล้จะหลุดเต็มทีแล้ว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 ก็พยายามจะใช้เวลาช่วงนั้นแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่จะต้องเดินประชุมเพราะว่าแต่ละตึกค่อนข้างไกลกันนะคะระหว่างที่เดินเนื่องจากเป็นคนเดินเร็วเนี่ยแต่กอ็อย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะที่ฝัง CD ดีหลวงพ่อบอกว่าให้รู้กายใช่ไหมคะก็ตอนที่เดินถึงจเป็นคนเดินเร็วก็รู้ว่าก็อย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะที่ฟังซีดีหลวง่อบอกว่าใหราสสา้รู้ก า, สสายใ่ไหมคก็ตอนที่เดินเนื่องจากเป็นคนดินเร็ว่ยก็ย่า่วงสนนี่ฟังซีดว่าบอว่าใหรู้าบแล่วก็ตอยากจะของจากเป็นคดินเว่ยแ่อย่างทส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 คือคืออยากจะเป็นคนชอบปรุงต่อค่ะเหมือนกับว่าีใจของเราชอบฟุ้งซ่านรู้สึกไหมค่ะมันฟุ้งแก่ปรุงต่อแล้วมันจะไปมีวิบากทั้งพูดค่ะแล้วมันมาคิดได้ทีหลังแต่มันมันพูดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะสติเรายังไม่ทันใจเรานะต้องฝึกยังไงเดียวน้อฝึกสตินะหนึ่งฝสติแต่ว่าอยู่อยู่เียมาฝึกปันสองวันแล้วให้ดีร้อเซนมันไม่ได้นะ เวลาเราฝึกหลงเนะี่ยเราฝึกมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเวลาจะฝึกสติก็อย่าใจร้อน <c oughs> ให้คอยรู้ทันเวลาใจแอบไปคิดรู้สึกไหมใจเราไปคิดแวบแวบแวบไปเรื่อย <c oughs> ๆดูออกไหมอย่างตอนเนี้อยากพูดละรู้สึกไหมเนี่ยความอยากมันดันขึ้นมาดันที่ลิ้นปีดเนี่ยดันที่กลางหน้าอกเนี่ยอย่างนี้ควรจะอ่าสวด <c oughs> มนต์ก่อนด้วย เออส่วนมนได้นะนนส่วนมนแล้วรู้ทันที่ใจไหลไปคิดนะไปฝึกดูใจที่ไหลไปคิดนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้ต่อไปกลับน้ำศการหลวงพ่อค่ะคือหนูไม่ได้มาที่นี่สเดือนครั้งล่าสุดที่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อคือว่าหนูส่งเรื่องวิวบากกรรมแล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูความเป็นกลางอะคะ่ะอะไรนะฟังไม่ออกคือหนออูหนูเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งล่าสุด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 จิตนิสัยคนไม่เหมือนกันคุณสังเกตไหมพอรู้กายแล้วพอจิตมันเคลื่อนไหวมันรู้เองมันจะรู้ได้เองข อ, ขอพบพระคุณค่ะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ทางด้านนี้เจ้าค่ะเอ่อคราวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อบอกว่าติดเฉยแล้วก็กลับไปปฏิบัติต่อคือบางครั้งเนี่ยก็ตามดูจิต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 เคลื่อนไหวแต่ถ้าเคลื่อนไหวซ้ำซากมากนะแจกก็เคลิบเราก็เปลี่ยนบ้างมาทางนี้บ้างเคลื่อนอย่างนี้หลายทีแล้วเมื่อยแล้วมาทางนี้บ้างกระดูกกระดิกแล้วพยายามกระดูกกระดิกแล้วก็รู้สึกตัวไปนะแต่อย่าให้ซ้ำซากแต่ไม่ใช่เปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเต้นแอโรบิกเลยยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปอ่ะเอาต่อไปกรา บ, บด้านายหลวงอคะ่ะส่งการบ้านนะคะคือเมื่อต้นปีเนี่ยหลวขพอให้การบ้านหนูมาว่า ที่ทมไม่ต้องทำอะค่ะอะไรนะที่ทมไม่ต้องทำอะค่ะหลคิดว่าสิ่งที่หลวดจะเพ่งมากเกินไปค่ะใช่สิเรารู้สึกไหม ใ, หใจเปลี่ยนไปรู้สึกว่าใจสบายขึ้นค่ะใช่สิอย่างที่หลวงพ่อเล่าเรื่องยญยฉีตะเกียะเห็นไภาวนาแล้วเราเพ่งมากๆนะเครียดแต่ถ้าภาวนาแล้วเราตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่ยไม่เครียดหรอกนะใจก็โปร่งขึ้มา แล้วสังเกตไหมใช้เคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกรู้สึกเคลื่อนถี่ขึ้นเรื่อยๆนะขณะนี้นะคะนั่นแหละสติเราเร็วขึ้นเรื่อยๆการภาวนานะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ภาวนาโดยการหน่วงอารมณ์ให้ช้าๆหลายคนพยายามน่วงอารมณ์ให้ช้าเช่นเดินช้าๆพูดช้าๆทําอะไรช้าๆชาวพูดเลยทํามาหากินไม่ทันใครเขาใช้ไม่ได้นะชาวพูดต้องปราดเปรียวต้องว่องไวนะแต่ถ้าเป็นคนนิสัยช้าๆเราก็ช้าๆ เป็นคนนี้ใส่ปราดเปรียวแล้วก็ปราดเปยวไม่ไปดัดแปลงแต่เราฝึกสติให้เร็วเร็วเรจนกระทั่งมันทันกิเลสอ่นะเกตไม่ใจไหลแวบแวบแวบนะรู้สึก เ, เอาค่ะมีผู้แนะนําว่าเดิมเดิมทีที่จะดูที่ท้องผ่องยุบใช่ไหมคะเด็กท่เอ่ยชื่อสินะไม่ต้องบอกว่าฝึกมาแบบไหนเดี๋ยวมันกระทบกันเพิ่งว่ามีผู้แนะนํำว่าให้หนูเปลีป่ยนเป็นมาดูดูที่มือค่ะดูที่กายอะคะ่ะ ดูไปนะใจมันตื่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมไม่ัม้นจะไปเพ่งอย่างที่หลวงพ่อเทศตะเกียร์ไปเพ่งงั้นหนูทำอย่างที่หนูคิดว่าใช่ต่อไปถูกต้องใช่ไหมคะฝึกอยู่อย่างนี้ก่อนน ะ, ะแล้ววันหลังต้องมาส่งกันบ้านใหมใจเริ่มหมดแรงแล้ว ด, ดูออกเปล่าดูออกค่ะนั่นแหละแรงมันไม่พอแล้วนะต้องไปทําในรูปแบบแต่ทําในรูปแบบอย่างเราไปนั่งดูท้องฟองยุคเนี่ย ระวังอันเดียวอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วลืมตัวเองเวลาเดินจงกรมนะก็ไปเดินจงกรมเหมือนเดิมได้แต่ระวังอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ไม่เพ่งนะดีกรีของการรู้เนี่ยแรงไม่เท่ากันค่ะ<า>เอาไปาให้คนถง่ากลับมาสักการหลวงพ่อค่ะมีโอกาสได้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 ในกิเลสนี่แหะไม่แน่จริงนะไม่ปกครองโลกมาได้เราอย่าประมาทเขาแต่เราก็ไม่ได้กลัวจนฝันในดีฝ่อใครรู้เอาก็คืออารมณ์กโกรธหรือโลภอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน ก, มนก็มันก็เป็นกลางก็เห็นแล้วก็กล<ม>ัวควเศร้าอ่ะอย่าไปยอมมันผู้หญิงหลายคนนะชอบตรงนี้แหละมันแสบแสบคันคันในใจแล้วชอบมันนะไม่ใช่ไม่ชอบที่วิตติดเนอะเพราะชอบมันไม่ใช่ครัเพราะว่า มีโอกาสได้สังเกตเห็นครั้งหนึ่งอะค่ะก็พอเศร้าแล้วก็เห็นไหมตอนเนี้ยหลุดออกมาจากมันแล้วเห็นไหมพอคิดว่าจะไม่ยอมมันมันก็หลุดออกมาละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะยอมมันเองอะพรารู้สึกเหมือนนางเอกให้รู้ทันนะสวมวิญญาณนางเอกเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะเลยแล้วอันตรายมันคือการฝึกซ้อมเตรียมตัวที่จะตกนรกนะเพราะอะไรเพราะมันฝึกให้โทสย้อมจิตอยู่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 คิดว่าเอาออาจจะเป็นเพราะว่าเราจิตใจไม่ไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางเรายอมอ ม, มันเองนะเรายอมให้มันกดขี่เองอย่ายอมสู้นะเราลูกพระพุทธเจ้านะคิดอย่างนี้นะเราลูกพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรเราจะต้องยอมให้กิเลสขี่คอเราไว้สู้มันาหาทางหาทางสู้หาทางกมิตี<ห>สู้คือรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปหาทางเอาเองหาเองไม่ได้นะต้องใช้ทางที่พระพุทธเจ้าสอนค่ะก็มีโอกาสได้ ได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟังหลวงพ่อค่ะบอกอก็คิดว่าบางคนหลวงพ่อกันแนะนําให้ทําสมถะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อบอกว่าของแนะนําไปอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจิตมันใจมันจมอยู่ให้ดึงให้มันหลุดออกมาก่อนอนะไรเงี้ยให้ออกกระแสแต่ละคนไม่เหมือนกันน ะ, <ล>ะของคุณอะไรแค่ไม่ยอมให้มันครอบงําก็หลุดแล้วแต่ต้องรู้อย่างเป็นกลางให้คนอื่นบ้า ง, างแต่ละน<ม>คนไม่เหมือนกันนะอย่ามากินยาขนาดเดียวกันทุกคนไม่ได้หรอก เออะไรก็จะกินแต่ยากแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้หรอกอ้อาวค่ะกลับน้มัสกรารหลวงพ่อค่ะพอ ด, ดีเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมได้สเดือนอ่าสิ่งที่ทําตอนแรกก็คือลองดูกายแต่ปรากฏว่ามันเหมือนจะติดเพ่งแล้วก็แอบเป็นเครียดอะค่ะแล้วพอตอนหลังเริ่มเหมือนตามรู้ตามดูแต่ปรากฏกายเป็นฟุ้งซ่านแล้วก็แบบแอบนอนไม่หลับลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ช่วงหลังก็เลยมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกคืน2เดือนแล้วทีนี้ได้ยินมาว่าเวลาปฏิบัติธรรมอะค่ะ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 ขอคุณผู้ชายติดอยู่นะไม่หลุดนะดูออกก็ยังมันค้างอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกไหมแล้วเสร็จแล้วต่อไปสมองจะเบลเบลนะจะตื้อๆไปเลยดีไม่ดีสมองเสื่อมเอานะอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ดีอย่าไปน้อมจิตวิ่งไปไหนก็รู้จิตเข้ามาก็รู้จิตหนีไปก็รู้อย่าน้อมเข้ามาของคุณไปติดที่จะดึงคืนมาเนี้ยเลยค้างอยู่ตรงนี้ต้องเลิกนะต้องเลิกไม่ได้อา้าไปการนมะัสการ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 ขี้เศราขี้เศราต้องย้ายไปภาวนาตามวัดป่าให้มันตื่นตัวแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ขี้เศรานะเดี๋ยวงูเลื้อยมันนอนอยู่ด้วยอะไรเงี <laughs> ้ยแค่คิดอย่างนี้ก็ไม่ขี้เศร้าละแล้วก็ยมจิตยมตื่นบ้างหรื อ, อยังเจ้าคะเ <laughs> <laughs> กรงใจเกรงใจยังแล้วก็เป็นกลางบ้างหรื อ, อ ย, ยังยัง แลต้องกลับไปทําตามรูปแบบบ้างไหมครับพเพราะว่าตั้งใอยากให้รู้<ด>รทันนะว่าเวลาเราทํารูปแบบแล้วเราซึมนะอย่าให้ซึมนะลองวางไมล์ลงแล้วทําในรูปแบบให้หลวงพ่อดูนิดนึงวางไมล์ก่อนเดี๋ยวทำไมล์ก็หล่นเนี่ยจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะสงสัยทราบไหมจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสยัยเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปไดนะ้จิตแอบไปคิดแล้วทราบไหม นี่หัดอย่างนี้นะหัดพุดโทโธไปก็ได้แล้วพอจิตแอบไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้พื้นฐานของคุณเป็นคนช่างสงสัยนะให้ความสงสัยเกิดขึ้นเดีย๋ยวมัวแต่คิดหาคําตอบเสียเวลาสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแล้วสงสัยก็แสดงไตรลักษอย่างเกิดแล้วก็ดับนะไปคนต่อไป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 กลัวว่าลูกจะเป็นบาปหรือเปล่าไม่ดีนะพยายามรู้สึกอยู่ที่กายให้มากๆนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกของคุณดูร่างกายให้มากๆไวนะดูที่กายบ่อยๆนะเช่นกายพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะว่าจะเป็นบาปเปล่าคะที่เราไปดูเขา่อเราไปรู้ไม่บาปหรอกแต่เราไปบอกเขาแล้วบาปลูกเลยไม่กล้าบอกเลยอยนะอย่าไปบอกแค่เรารู้ก็แย่เต็มทีแล้ว อย่าไปรู้ของคนอื่นแต่ถ้าจิตมันรู้นะอย่าสนใจของคุณอย่าไปทําความสงบเข้าไปที่จิตนะให้คุณคอยรู้กายไว้ถ้าคุณไปทําความสงบเข้าที่จิตเนี่ยมันจะเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรไม่ใช่ของจริงหรอกอย่าไปเชื่อมันบางทีฝึกฝึกเนี้ยเจ้าค่ะบางทีจิตก็ไม่ยอมที่ว่ า, า น, นี่ยเนี่ยเ น, น, นรู้สึกไหมค่ะจิตใจเมื่อกี้เผลอวูบไปเลย ร, รู้สึกกูเก่ง ไม่ใช่รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าเจอต่อหน้าหลวงพอ่อใจจิตมันจะแฝงค่ะอกลัวที่เราจะถามออกไปนี่กลัวว่าหลวงจิตขนาดนี้กตะคีก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเห็นไหมเออเ น, นี่ยดูเห็นไหมมันสลดลงมาแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยดูมันลงปัจจุ บ, บันอย่างเนี้ยนะใครดูไปเรื่อยๆแต่ว่าของคุณเน่ยอย่าทิงกายนะรู้กายให้มากๆไว้เวลาเราเลื่เคลื่อนไหวอ ย, อยืนเดินนั่งนอนน่ะรู้สึกไปเรื่อย อย่าดูแต่จิตนะดูจิตมากมากเดี๋ยวฟุ้งออกไปเห็นนอนเห็นนี่ไม่จริงหรอกนะอย่าไปเชื่อมันอไปท่านต่อไปจลับมาระส ก, การณ์หลวงพครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปส่ง ก, กันบ้านหลวงพ่อที่สวนสถิตธรรมนะครับหลวงพ่อทักว่าผมจิตฟุ้งๆแล้วก็ป้อแป้ไปนิดนึงผมก็เลยกลับมาทําความสมงบนะครับด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมมิโตแต่ระหว่างที่บริกรรมก็ดูปไปด้วยว่าจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้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 ในรูปเสียงกลิ่นรส佛陀ธรรมารม์ทั้งหลายเราก็รู้ว่ามันมีพยาปา ท, ทะพยาบาทนะจิตสงสัยจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตเป็นยังไงเราครรู้เรื่อยตรงที่เรารู้ทันเนี่ยสภาวะพวกนี้จะสลายตัวไปเมื่อ น, นิวรณ์ไม่มีจิตก็จะสงบลงมาเองครับที่ว่าจิตป้อแปะนี่ต้องทําความสงบเข้ามาถึงจะดีเป็นจริงต้องความทำความสงบแต่ต้องมีสติมากกว่านี้ความสงบที่ทํานี่สติอ่อนไปนะอีกอีกข้อหนึ่งครับ ผมได้อ่านหนังสือลวงลงปู่มันนะครับที่สนทนาธรรมะรูปหนึ่งท่านว่าอบุบคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยผู้ไม่ได้ไปฏิบัติจะใส่ใจข้างเกิดไม่ใส่ใจข้างดับแล ะ, ะถ้าอะไรนะถ้าพระแต่งี้จะเห็นว่าทุกสิ่งเที่ยงเป็นสูงแล้วก็เป็นตัวตวนนะครับถ้าบอกว่าใ ห, ให้ใส่ใจข้างดอย่นึงแต่นะใส่ใจอะไรอยู่ให้อะไรข้างดับนะอ๋อใส่ใจถูกแล้วล่ะ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 อีกคำถามนะครับคำถามสุดท้ายนะครับแต่คำถามตะกี้นะคิดมามืนไม่ได้นะต้องรู้สึกเอาครับอาจจะไม่เกี่ยวกับปฏบัปะแต่ว่าเป็นเรื่องปฏิจจารสมาบาทนะครับที่หลวงพ่อเทศในหนังสืออริยศาสตร์นะครับที่ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยจะรู้แจ้งปฏิจจารสมาบาทไม่เท่ากันนะครับแล้วหลวงพ่อก็เสริมว่ามีตัวอาสครับผมก็เลยอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายว่ามันเชื่อมโยงกับอวิชชาอย่างไรครับ ช่างมันถวนนะเห็นไหมคำถามสองข้อนี้ไปอ่านหนังสือมาแล้วมาคิดเอานะเสียเวลาไปดูเอาเองเดี๋ยวจะตอบได้ด้วยตัวเองครับอาสวะอาสวะจริงๆนะก็เป็นอาวิชาอาวิชาเป็นอาสวะตัวหนึ่งเป็นอาชอาสวะอย่างหนึ่งอาศัยอาสวะนั้นก็หล่อเลี้ยงอาวิชาอาศัยอาวิชาก็ไปหล่อเลี้ยงอาสวะไว้นะปรุงกันไปเรื่อยๆครับสุดท้ายขอให้หลวงพ่อสอนเฉพาะว่าช่างข้าวไม่ดี ห้าวิฉุลวะอย่าตอนนี้กดเอาไว้ดูออกไหมไม่เป็นธรรมชาติตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมจะเข้าไปสังเกตมันอะให้รู้ทันนะจิตจะเข้าไปสังเกตก็รู้ทันนะใจลอยไปก็รู้ทันขนะ อ, นะออย่างนิดนึงนะครับเอาอีกนิด น, นึงเหรอติดอยู่ที่ว่ามันเพ่งตรงบริเวณห ว, วับนั่นแหละนั่นแหละต้องเลิกซะไม่ไม่รู้วิธีทําให้หายนะครับก็อย่าไปทํามันก็หายแล้ว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 แล้วก็อยากทราบว่าที่ตามรู้กายตามรู้ใจปัจจุบันนี้ดูสภาวะถูกต้องไหมคะก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องดูอย่างมีความสุขนะดูให้อย่างสบายใจอย่าดูแบบเครียดๆนะไม่ดีก็ได้ดูไปนะในโลกนี้ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวนะดูไปเรื่อยๆทุกอย่างชั่วคราวค่ะหลวงพ่อคะแล้วมีอยู่ เช้าวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วมีจิตเหมือนกับเห็นว่าตัวเองเนี่ยทำตัวอะไรหายไปอยู่อนนนะนืนั่นแหละดีนะเราเริ่มเห็นความจริงแล้วนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันเป็นอะไรก้อนหนึ่งนะไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไม่รู้ตัวอะไรนี่เรียกว่าเราถอดถอนความสําคัญมั่นหมายผิดผิดออกไปเราเริ่มเห็นความจริงแล้วนี่คือรูปนะถ้าจะเรียกว่ามันคืออะไรก็ ตามสับของธรรมะเขาเรียกว่ามันเป็นรูปไม่ใช่คนรู้สึกไหมตัวเราหายไปถ้าเห้นตัวเราหับปะแต่ปัจจุบันตัวเรายังมีอยู่มีสีมันมีอยู่ที่ใจเราถ้าฝึกอีกนะถ้าเมื่อไร่ได้โสดาปติมัคตนะโสดาปติมัคตนั่นแหละถึงจะไปตัดความเป็นตัวเราขาดนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินจะลงกระไดแล้วเหมือนกับว่า เออเห็นเห็นขาก้าวไปแต่เจ็บเห็นแต่กลัวจะตกคือคือมันมันเหมือนกับมันแย่งกันนะคะกลัวจะตกกระไดก็เลยดึงพยายามดึงกลับดึงกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรไม่ต้องทําอะไรเห็นไม่กายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันเห็นไหมมันจะตกกระไดไหมคะอย่าไปเดินให้ตกสิถ้าเดินซุ่มซ่ามก็ตกอีนีเราเดินลงบันไดเราก็เกาะราวบันไดไป <ß ye S 1> <owan> เดิน ร, รู้สึกตัวไปของคุณมันไม่ได้จะตกกระไดอะไรหรอกเพื่อนช่วงนั้น น, นะะมันเป็นจังหวะพอดีจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา who knows, who knows, who? เห็นเป็นคนรู้คนดูเพราะมันเห็นร่างกายเดินอยู่เรายังไม่คุ้นเคยที่จะเห็นร่างกายมันเดินเราเคยรู้สึกแต่ว่าเราเดินะนะพอเห็นร่างกายมันเดินไม่คุ้นเคยมันมกลัวขึ้นมาแล้วก็ให้รู้ทันความกลัวเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกพอจิตเกิดความกลัวจิตเคลื่อนไหวขึ้นมาเราก็รู้สึกนี่แหละความรู้สึกตัวมันก็เกิดค นะหลวงพ่อคะเออมีเรื่องสงสัยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะคืออย่างเราเนี่ยปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อว่าเออเราจะมีได้ลุ่มมากคันนี้เนี่ยเวลาผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมามากระทบกับเราแล้วเราปฏิบัติเรารู้วิปัสนาเราเราเราปฏิบัติจิตได้หรือว่าตามรู้กายรู้ใจได้แต่ในขณะเดียวกันผู้อื่นที่เขามากระทบกับเราเนี่ยเขาจะ ได้รับผลกระทบทําให้เขาบาปไ ม, ไม่บาปหรอกนะไม่บาปหรอกเรายังไม่ใช่พระอริยะเราก็ยังมีกิเลสเหมือนกันอ๋อไม่ต้องกังวลเรื่องนีอย่าไปกังวลนะตัวนี้กิเลสหลอกให้เรากังวลเล่นแต่ละคนยังเขาจะไปด่าสมมติว่าเขาจะไปด่าพระรเขาก็ด่าขเขาเองใช่ไหมพระจะไปทําอะไรได้ หรืออย่างเราเป็นนักภาวนาคนเขาจะมากระทบกระทั่งเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นบุญหรือบาปก็เพราะเขาทำเองไม่ใช่เพราะเรานะหน้าที่เราก็อย่าไปยั่วมโมโหเขาเท่านั้นแหละแล้วที่าสาคัญกว่านั้นนะอย่าไปรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าแกนะฉันดีกว่าแกเพราะแกไม่ปฏิบัติฉันเป็นคนดีฉันปฏิบัติถ้าอย่างนี้เราถูกกิเลสหลอก ค่ะตอนนี้ถ้าคนใกล้ชิดของเราเนี่ยค่ะอย่างอย่างคนใกล้ชิดของเราเราไม่อยากให้เขาคือคื อ, คอเขาจะบาปเราไม่อยากให้เขาได้พ่อเอาเนี่ยเราอย่าไปอยากแทนคนอื่นเลยนะเอาตัวให้รอดก่อนนะขอบคุณค่ะการทำพิธีการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกฮะเพิ่งตั้งซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งนะครับได้ลองปฏิบัติดูกิเลสของตัวเองเห็นโทสะ เห็นความโลภมารยะนึงนะไม่ทราบว่าปฏิบัติเป็นไงบ้างครับก็ดีสินะเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งก็เห็นบ่อยโทสะเห็นบ่อยครับดีความอดหงเห็นบ่อยนะโทสะเราเกิดบ่อยเรารู้บ่อยก็สติเกิดบ่อยแต่ต้องรู้ด้วยความเป็นกลางนะรู้อย่างเป็นกลางไม่ใช่ว่าทํายังไงโทสะจะไม่เกิดนี่ไม่เป็นกลางแลแต่แต่ผมจะชอบดูทำยังไงโทสะจะดับนี่ไม่เป็นกลางแต่ผมจะชอบดูโทสะแต่ผมไม่ชอบดูที่ว่าเป็นคู่นะฮะที่บอกว่ามีโทสะแล้วไม่มีโทสะ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 คคนั้นการที่รู้สภาวะต่อเนื่องไปเรื่อยนะเห็นเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยอันนั้นแหละดีได้คะแนนเยอะอคคแล้วช่วงปิติปิติมันจะเกิดบ่อยนะฮะมันติดสมถะไมับเกิขาไม่ห้ามมันจ ะ, <ล>ะเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการติดสมถะไหมฮะไม่เป็นหรอกไม่ไม่เป็นธรรมถะต้องอย่างของคนนี้ ค, ค, ครับติดแล้วคุณยังไม่ได้ติดคือช่วงหลังผมก็เริ่มเห็นเห็น เห็นสภาวะคือเห็นทุกอย่างมันเริ่กเป็นสมมุตินะฮะผมไม่รู้ว่าผมเห็นถูกต้องไหมหรือว่าผมคิดไปเองเห็นถูกต้องนะแต่อย่าให้ปัญญานําไปนะบางคนพอเริ่มเห็นว่าทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างเป็นของสมมุติแล้วน้อมใจเชื่อไปแล้วไปปฏิเสธสมมุติความจริงสมมุติก็เป็นความจริงเรียกว่าสมมุติสัจจะอย่างพอเราไปเห็นพ่อเห็นแม่เราอเงี้ยเราก็ไปนี่รูปนี่นามไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่ไม่มีไอ้นี่ปฏิเสธสมมุติไปแล้วอย่างนั้นปัญญามันล้ําหน้าฟุ้งซ่านไป แล้ปฏิบัติตอนนี้ใช้ใช้ได้ไหมครับปฏิบัติตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะใช้ได้แต่ตอนนี้มันตื่นเต้นไปกดเอาไว้ให้นิ่งอย่าไปกดมันรู้สึกไหมจิตมันนิ่งอยู่ครับรู้สึกครับเออนะต้องปล่อยให้ได้ของคุณต้องลืมลืมบ้างนะรู้สึกไหมเวลาเราลืมตัวเองไปแต่ของคุณมันฝึกเพ่งจนชํานาญขนาดลืมไปนะตัวนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะต้องอดทนนิดนึงนะหลวงพ่อทำอยู่ตรงนี้ย2่ปี กราบขอบคุณครับกราบนมรสการครับหลวงพ่อผมฟัง c ีดีหลวงพ่อมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับแล้วก็ช่วง 2-3 เดือนแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆปกติก็จะรู้สึกว่าวันตอนนี้คิดไปนะหลงไปนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รู้ว่ามีครั้งหนึ่งนอนไปนึกไปหลงไปมาก็มีเหมือนกับอาการห้วงจัดๆครับ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 ใ ค, ใครรู้สึ ก, ส ก, กว่าเหล อ, หลอบ้างตอนที่นั่งรู้สึกไหมใจหนีปุ๊บๆุ๊บางคนเริ่มห่วงรถแล้วรู้สึกไหมเอาว่าไป ค, คือทุกวันนี้ก็ปฏิบัติเน้นรูปแบบโดยการเอาสติสังเกตเวทนาโดยไล่จากศีรษะลงไปถึงปลายเท้านะคะแล้วก็ไล่ย้อนกลับแล้วก็ไล่จากด้านหน้าไปด้านหลังจากด้านหลังมาด้านหน้าขวาไปซ้ายซ้ายไปขวานะคะ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 เราเวทนาเกิดที่นี้เรารู้เกิดที่นี้เรารู้นี่ซ้อมสตินะแต่ว่าจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นเราไม่ได้ซ้อมสัมมาสมาธิด้วยค่ะวิธีซ้อมสัมมาสมาธิคือเวลาเรารู้ที่หูเนี่ยถ้าจิตเราไหลไปที่หูเราก็รู้ทันนะ <lecture. S 2> ให้เรารู้ทันด้วยวมีว่าจิตไปที่หูเออนะให้รู้ทันจิตไปอีกอย่างหนึ่งไม่ <lecture. S 2> งั้นจิตของคุณมันจะลอยคุณรู้สึกไหมจิตของคุณจะกระจายกว้าง ข <c oughs> น, น, นี้เพราะอะไรเพราะมันเที่ยวตามรู้สภาวะภายนอกไปเรื่อยมัน <c oughs> ให้รู้ว่าตัวมันเคลื่อนไป<อ>นะคุณให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ให้รู้จากจุดเราแล้วก็เคลื่อนไปไหนใช่ใช่ <c oughs> แต่อย่าไปบังคับเขานะ <c oughs> แค่รู้ว่าเขาเคลื่อน <c oughs> จุดที่คุณพลาดมันนี้เดียวเองอะ <c oughs> นะเรารู้เวทนาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการฝึกสติแต่ว่าเราทิ้งสัมมาสมาธิจิตมันไหลตามไปด้วยเพิ่มอีกอานหนึ่งแล้วปัญญาจะเกิดจะเห็นเลย กายนี้ไม่ใช่เราเวทนาที่อาศัยอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรา <traveling alone. S 2> จิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตก็อยู่ต่างหากเองหลวงพ่อหมายถึงเวลาเราเคลื่อนนี่ให้รู้ขณะที่เคลื่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่รู้ขณะที่เคลื่อนรู้ว่าจิตเคลื่อนอ๋อรู้ว่าจิตเคลื่อนมันไม่ควรจะเคลื่อนเลยอ๋อ oh, ไม่ควรจะมันรู้สึกเลยที่มันไม่เคลื่อนคือบางครั้งนี้อาจจะหลงคิดไปอย่างสมมติว่าปฏิบัติอยู่แล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เรารู้ตัวที่รู้ว่าหลงใช่ก็รู้ว่าหลงนะ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 คนโบราณเขาสร้างสั ญ, ญลักษณ์เขาสร้างพระนากปลกขึ้นมาพระนากปลกนาเต้ามี7เศียรใช่ไหมแล้วก็พระต้องนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งท่าอื่นด้วยตัวพระนั่งสมาธินั้นเป็นแทนตัวสัมมาสมาธินาค7เศียรนั้นแทนองค์มรรคที่เหลือทั้ง7องค์มรรคที่เหลือนั้นประชุมกันลงที่จิตในขณะเดียวกันได้ด้วยกําลังของสัมมาสมาธิถ้าปราศจากสัมมาสมาธิแล้วมรรคแต่และตัวจะกระจัดกระจายรวมพลังเข้ามาด้วยกันไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้จริง เพราะงั้นเราต้องมีสัมมาสมาธินะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นต้องรู้ทันตั้งมั่นนี่หมายถึงยังไงฮะอย่างตอนนี้ใจไหลไปสงสัยใช่ไหมแล้วก็หลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยหลงไปในความคิดที่ไม่ตั้งมั่นลองมองหน้าหลวงพ่อให้ชัดๆสิเห็นไ้มใจไหลไปอยู่ที่หลวงพ่อใจไม่ตั้งมั่นนิดนึงน่ะหัดดูอย่างเนี้ยก็คือให้รู้ตัวใช่ไหมคะให้รู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ตัวเดี๋ยวไม่รู้จะตัวอะไรขึ้นมาอีก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 หายใจเหมือนที่เราเคยทําจริงๆรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวไปตอลอดเวลาเนะคยรู้นะเคยรู้อย่าให้ใจถลําไปดีละแล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือต้องกลับไปทํางานที่เกาหลีก็สามปีถึงจะกลับมาของคุณของคุณนะ่ใจมันจะต้องตั้งมั่นแล้วก็มีความสุขมากกว่านี้หน่อยนะใจมันแห้งแรงไปนิดนึง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 ยถาวาริวหฮาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันราโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพพีตโยวิวัชชนตูสัพพารโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกฟวะ อภิวาทนาศีริสนิจังุทธาปจจายิโนจัตตารธรรมวันตีอายุวันโนสุขังพระลังอย่าลืมนะมีสติรู้กายรู้ใจนะลกปัจจุบันนะรู้ตา